การศึกษาในทางพระพุทธศาสนามีขั้นปริญญาอยู่สามขั้นคือ 1. ยาตตาปริญญา 2. ติรณะปริญญา 3. ปหาณปริญญายาตตาปริญญาแปลว่ามีความรอบรู้ในคำบัญญัติหรือคำสมมุติปริญญาขั้นนี้เป็นขั้นต้น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 ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงใช้คาอื่นแทนคําว่าธรรมชาติและคำที่พระองค์ทรงใช้มากที่สุดก็คือคําว่าวิญญาณหรือจิตหรือมโนคาสามคํานี้เป็นคําที่ใช้แทนคําว่าธรรมชาติในความหมายอย่างที่เราเข้าใจกันอยู่ทุกวันนี้ขอให้พิจารณาคําพูดในประโยคดังต่อไปนี้มโนปุพังขมาธรร ม, มามโนเสถามโนมยา มโมคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณจิตเตนะนิยติโลโกจิตเตนะบริกัสติจิตตสสะเอกธรรมะสะสะเพววัสมันวะขู่โลกย่อมหมุนไปตามจิตวิวัฒนาการไปตามจิตเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมเป็นไปตามอำนาจของสิ่งสิ่งเดียวคือจิต